อย่าคิดว่เป็นมิปัสสนาเห็นไหมหลวงปู่ดูลงบางทีสอนสมถะก่อนสําหรับบางคนพอจิตรวมลงไปแล้วก็ค่อยมาเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะหรือสอนอีกองคหนึ่งองค์นี้ยังอยู่ไม่บอกชื่อนะสอนให้ดูกระดูกสอนให้ดูกระดูกเดินจงกรมนี่นะท่านก็เห็นกระดูกตัวเองเดินนะมีกระดูกโครงกระดูกหนึ่งเดินข้างหน้าอหนึ่งข้างหลังอหนึ่งข้างซ้ายข้างขวานะเดินไปไหนมี5้ากระดูกล้อมไปไงนะั้น เป็นเราเห็นเราก็วิ่งเนาะอันนั้นก็สมถะนะสมถะทำไปแล้วจิตสงบขึ้นมาก็มาเจริญสติต่อบางคนท่านก็สอนให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตรวมเข้ามาสงบแล้วท่านก็ให้สังเกตจิตที่เป็นคนท่องพุโทโธอย่างหลวงปู่ดูลนะท่านสอนหลวงพ่อสอนให้ดูไปเลยดูจิตท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ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 อย่างเราคิดพิจารณากายนะเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาษะนะเบื้องต้นพิจารณากายดูเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาษะก่อนนะเบื้องกลางก็ดูเป็นาธาตุเป็นขันธ์เนใช้การคิดเอานะสุดท้ายก็ไปคิดว่ามันเป็นสุญญตาว่างเปล่าอะไรนะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเนะนี่ยเนี่ยการใช้อารมณ์ที่เป็นความคิดนะก็เป็นสมถะหรือบริกรรมพุทโธพุทโธนะสัมมาละหังสัมมาละหังเลยก็เหมือนกันหมดนะ คืเป็นอารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติก็เป็นสมถะใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะใจอยู่สบายๆหรือจะใช้อารมณ์รูปนามก็ได้บางคนเข้าใจผิดว่าถ้ารู้รูปรู้รรนามแล้วจะต้องเป็นมิปัสชนาไม่เป็นหรอกนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นมิปัสชนาลําพังรู้รูปนามไม่เป็นมิปัสชนาจะกลายเป็นการเพ่งรูปนาม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 มันคือรูปแต่ละรูปที่มาต่อๆกันแต่ว่ามันเกิดดับต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วเราสำคัญผิดจิตเนี้ยมันมีสัญญาคือความจําได้เพราะมันเห็นรูปนี้นะมันจํำมาไว้ในใจมันแวบหนึ่งพารูปใหม่มาเกิดตรงนี้เนี้ยมันจําแล้วมันก็เลยสร้างภาพในใจของมันว่ามีความเคลื่อนไหวขึ้นมาการปฏิบัตินี้เหมือนกันนะอย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวเนี้ยเคลื่อนเป็นช็อตๆๆเลยหรือจิตเราก็เกิดดับเป็นช็อตๆตลอดเลยนะแต่อาศัยสัญญาเข้าไปหมาย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 ยอดได้กำลังใจอย่างคุณมนนี่ได้กำลังใจละนะรู้สึกโอ้ฉันยังใหม่อยู่จริงๆเราเกิดใหม่ตลอดเวลานะแต่เรามองไม่เห็นเองนั่นเราหัดเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นมามีปัสนาเนี้ยนะเราเรามีสติรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะเห็นว่ามันเกิดเกิดดับดับนะมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่มีตัวตนถาวรมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจออกคนหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าคนนึง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 นี่หน้าที่ของมิปัชนาเป็นอย่างนี้ส่วนหน้าที่ของสมถะนะทำแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเราสุขเราสงบเราดีอยู่ได้นานๆ น, นะหลายๆวันบางทีมีความสุขอิ่มอยู่งนะ่ายสบายบางคนถ้าดูไม่เป็นนะนึกว่าทํำมิปัชนาอยู่ทํำมิปัชชานะแต่ไปกดจิตเอาไว้นิดหนึ่งนะผลักกิเลสออกไปแล้วใจว่างแล้วบอกว่าทํำมิปัชนาไม่ใช่ละจิตไปเกยตื้นไปเห็นว่าคงที่แล้วเห็นไหม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 วิปัสนาเนี่ยสติเกิดขึ้นเองจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มีเงื่อนไขสําคัญนะสติต้องเกิดเองถ้าจงใจให้เกิดเช่นเราจะหยิบสมมุติหลวงพ่อจะหยิบนาฬิกานะหลวงพ่อกำหนดจิตแนบลงไปอย่างนี้เลยนี่เป็นสมถะแล้วแต่ถ้าเราเราเผลอจะไปหยิบเรรู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไม่เมื่อกี้เผลอไปหรือรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวอยูนะ่รูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราอย่างนี้ใช้ได้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 ถ้าจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตเข้าไปตั้งแช่ที่ตัวอารมณ์เนี่ยจะเป็นสมถะนะนั่นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเองก็จะเห็นร่างกายเนี่ยยังถูสบูอยู่เนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกขึนะ้นมาเองแลเพราะใจมันอยู่ต่างหากใจกับกายมันแยกออกมานะไม่เห็นร่างกายกับจิตใจมันคนละส่วนกันนะเห็นเวทานากับจิตใจคนละส่วน strong, เห็นจิตตสังขารเช่น ค, ความโลภ ค, ความโกรยความห ล, ง, มลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันเห็นอะไรๆเป็นคนละส่วนกันหมด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 มันจะถอยออกมาแล้วจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแยกกันไปสังขารทั้งหลายก็อยู่ส่วนหนึง่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรานี่เดินไปอย่างนี้ก็ได้อีกพวกหนึ่งทําสมาธินะอยู่อัปปนาสมาธิทรงอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วถอยออกมานิดหนึ่งจิตเคลื่อนออกมานิดนึงไม่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์ของสมถกรมรมฐานะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ภายในเ <kidding. S 2> ห็นจิตเคลื่อนไหวอยู่ภายในนะ <teammate S 2>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 ถ้าปัญญายินซียังอ่อนนะก็ดูจิตถ้าอินซีย์กล้าแข็งก็ดูธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาดูกระบวนการทํางานของธรรมะนะเช่นดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครบรรลุด้วยปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะท่าที่ดูมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคนอื่นอ่านยังไม่เจอนะเั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นจะดูนิวรณ์ดูโพุทชงดูอะไรเงั้ยไปดูขัน ธรรมานุปัสสนานะดูไปไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปกระ nam เนี่ยดูอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าอินทรียแก่กล้าก็าจะไปเจริญธรรมานุปัสสน์อินทรียไม่แก่กล้านะก็เจริญจิตานุปัสสนานะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ต้องเรียนแบบกันอย่างพวกรู้กายอย่างมีตั้งเยอะแยะบางคนก็รู้ลมหายใจใช่ไหมบางคนก็รู้ท้องของยุบรู้เทา้ารู้มือรู้กายทั้งกายใต้สารพัดรูปแบบ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 สังเกตลงไปเรื่อยนะแต่ไม่ใช่คิดมากคิดมากแปลว่าฟุ้งซ่านให้สังเกตสภาวะเเช่นดูว่ามันทานํางานยังไงถึงจะเรียกว่าสังเกตถ้านั่งคิดเอาเองเอจิตตอนนี้เราโกรธหรือไม่โกรธนะจิตตอนนี้รู้หรือไม่รู้รนะนนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าช่างสังเกตแล้วนี่เรียกว่าฟุง้งซ่านนะ Tory เพราะฉะนั้นภาวนาแล้วเกิดสงสัยนะว่าเอจิตอนนี้รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยให้รู้ไปเลยว่าขนาดนั้นกําลังฟุ้งซ่านไม่รู้หรอก นะตอบได้เลยนะไม่ต้องถามนะวันนี้ยชอบถามทุกวันเลยเรื่องต้องภาวนาแล้วตรงนี้รู้หรือไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรอกนะตรงนั้นกําลังฟุ้งซ่านอยู่ถ้ารู้แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอ่นะได้ครึ่งชั่วโมงวันนี้ทําไมเทศยาวสงสัยฝนตกในมัสการจ้ะค่ะเพิ่งฝึก เ, เจริญภาวนาเลยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาตรงที่ว่าหลงค่ะแล้วก็ หลงนานแล้วเราก็หลงวันหนึ่งอยู่ประมาณสองามครั้งตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมคือรู้ตัวทีไรก็จะถอนหายใจพร้อมไปด้วยเนี่ยค่ะกับเรียนหลวงพ่อค่ะทำไมต้องถอนหายใจอ่ะไม่ทราบค่ะติดขึ้นมาเฉยๆค่ะ <c oughs> พอรู้ปุ๊บก็จะถอนหายใจตามเลยนย่าไปเกลียดความหลงค่ะหลงไม่เป็นไรนะแต่หลงนานน่าเกลียด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 ขนาดนี้กดใจไว้ให้มันซึมซึมเชื่องเชื่องะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเออตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นนั่นจิตใจมันตื่นเต้นเองแต่ตรงที่เราไม่อยากให้มันตื่นเต้นเราไปกดเอาไว้เนี่ยอันนี้เราไปทําขึ้นมาตรงที่จิตปรุงแต่งนั่นไม่เป็นไรแต่ตรงที่เราปรุงแต่งจิตเนี่ยคือการสร้างภบสร้างชาติแล้วนะค่ะเฉะนั้นให้เรารู้ทันอย่าไปปรุงแต่งจิตให้ดูจิตที่ปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งจิตอย่างเนี้จิตหนีไปคิดแวบแวบ คอยรู้ไปเห็นไหมนาะทีหนึ่งไปตั้ง<ช>หลายทีแล้วเนี่ยอย่างนี้จะหลงบ่อยนะ<อ>แต่ถ้าเราไปตรึงจิตให้ซึมกระถือไว้เงียเนี่ยบอกโอ้มีสองพวกนะพวกหนึ่งรู้สึกว่าไม่หลงเลยพวกหนึ่งรู้สึกหายไปไหนเลยเพ่งจนซึมไปเลยคือถ้าหลงแล้วก็ไหลไปเลยค่ะพอหลงพอรู้ปุ๊บพอรู้ว่าหลงก็จะไหลเลยอ่ะอ่า<ต>นั่นแหละ ถ, ถูกแล้ววิหารธรรมก็ไม่เจอแล้วอ่ะไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นทุกคนเลย อพอสติเราเร็วขึ้นนะตอนเราหลงไปเนี่ยพอเรารู้ปั๊บเนี่ยนะพอรู้เนี่ยมันรู้ได้ชั่วขณะเท่านั้นถัดจากนั้นเนี่ยนะจิตจะปรุงต่อแล้จะเริ่มไหลไปหาอารมณ์มันใหม่ละ <c oughs> จิตมันยังหิวอารมณ์อยู่นะ <c oughs> แล้วต้องดูไปอีกนะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะอารมณ์ทั้งหลายนี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยจิตก็มีแต่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยจ <c oughs> นถึงจะไม่ไหล <c oughs> นะเพราะฉั้นเราขนาดนี้ยังไงหลงก็ต้องไหลเขาเรียกว่าหลงไหลไง แล้วต้องแก้ตรงไหนคะก็คือแก้อีกแล้วให้รู้สิรู้ไป้รูจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แก่นะแก้ไม่ใช่วิปัสนาแก้เป็นเรื่องของสมถะนะต้องเพิ่มจากสมาธิเพิ่มด้วยไหมคะสมาธิเยอะไปแล้วอย่าให้ซึมนะทําในรูปแบบแต่ทําแบบมีสติเช่นเดินจงกรมเดินด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะไม่ใช่เดินจงกรมแล้วน้อมใจให้ซึมนะ เดินไปเรื่อยๆใจไหลแว บ, บรู้สึกใจไหลแว บ, บรู้สึกนะถ้าไม่รู้ใจก็เห็นร่างกายนี้เดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูต้องอย่างนั้นน ะ, ะอ้าวตอไปเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าถามหลายข้ อ, ข อ, อว่าไปกับน้ำมการหลงพ่อคะ่ะเออก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูห น, หน่อยค่ะว่าเออหนูตรงไหนที่แบบว่าที่ติดต้องไม่รู้หรือว่าช่วยแก้คะ่ะอย่าไปกังวลเรื่องติดแล้วไม่รู้นะค่ะ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 เออเราก็บางทีคือพอรู้แล้วมันก็คือมันมีแรงดันอยู่แล้วก็มีเข้าไปแทรกแซงทีงพ่อกตรงแรงดันนั่นะคือตันหาคะมันจะผลักดันนะให้เรามีสติรู้ทันถ้าจิตจะเข้าไปแทรกแซงรู้ว่าจิตอยากแทรกแซงรู้ลงไปเรื่อยๆนะเราบางทีก็จะมีจงใจเข้าไปดูมากไปอะค่ะมีจงใจก็รู้ว่ากำลังจงใจอยู่เห็นง่ายขนาดนั้นเห็นมีอะไรเลยก็รู้เป็นแล้วก็ดูไปสิ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 อันนี้ไม่โอเคอันที่หนึ่งพวกที่สองเห็นสภาวะแต่ไม่เป็นกลางกับสภาวะอันนี้ไม่โอเคอีกชั้นหนึ่งนะนเช่ น, นกเห็นเห็น ค, ความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบมันอยากให้หายเนี่ยไม่โอเคแล้ว่้ารู้ทันว่าไม่ชอบโอเคอีกแล้วนะถูกกับผิดเนี่ยนะเหมือนเราภาวนานในระบบดิจิตอลรู้ไมมีแต่ศูนย์กับหนึ่งไม่ถูกก็ผิดแค่นั้นแหละ แล้วอย่ากลัวนะยังไงก็ต้องมีศูนย์กันหนึ่งเพราะมันเกิดดับไปเรื่อยๆกาบณัศสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยอมปฏิบัติแบบพองยุคมาประมาณหนึ่งปีหลังจากฟังซีดีอะค่ะก็เริ่มมาเดตามดูจิตนะคะก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะเห็นจิตเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมก็รู้สึกว่าสงบขึ้นแล้วก็สติไวขึ้นเจ้าค่ะก็ดีแล้วนะรู้สึกไหมว่าใจเราเคลื่อนไหว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 ก็ปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้แบบงงๆว่าแต่ยังอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่านี่ไงงงรู้ว่างงก็ถูกเป๊ะเลยนะถ้างงแล้วค้นคว้าหาเหตุหาผลก็ไม่ถูกแล้วหลงแลกิเลส ท, ทั้งหมดนะจะพาให้เราหลงกิเลสนะั่กลัวเราภาวนากลัวเรารู้กายรู้ใจถ้าเรารู้กายรู้ใจเรื่อยๆเราจะพ้นอำนาจของกิเลสไปเพราะฉะนั้นเขาจะหลอกให้เราหลงตลอดเลย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 มาศาลาลุงชินจะมาถามหลวงพ่อประโมทนะเนี่ยหลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะกรุณาถามหลวงพ่ออยนิดนึงคือช่วงบางวันที่สติเกิดนะคะหลวงพ่อเวลาหลงไปเนี่ยก็รู้ว่าว่าตัวเองหลงแต่มันจะเบาๆแล้วก็ไม่ทราไว่าตัวเองรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวงงๆอยู่เว่า ที่ปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนเนี่ยช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าเออจงใจอย่างที่หลวงพ่อกรุณาแนะนำ น, นะคะคือทําไมตอนแรกรู้ชัดตอนนี้รู้สึกมันไม่ค่อยแตกต่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในที่มืดจุดไม่ขีดก้านเดียวก็สว่างแล้วตอนนี้เราเริ่มมาอยู่ในห้องที่สว่างขึ้นนะจุดไม่ขีดที่มาก็ดูไม่ค่อยแตกต่างความแตกต่างมันน้อยลงพอน้อยมากๆนะก็ชักงงแล้วรู้หรือไม่รู้เมื่อก่อนทําไมรู้แลแ้วแหมต่างกันคอนทราสต์เยอะใช่ไหม ต่างกันเยอะเดี๋ยวนี้ทําไมเนียนเนยนดูยากขึ้นนะก็เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราหลงอยู่ในความมืดตลอดเนะี่ยพอรู้สึกตัวครั้งแรกนะวูบวาบรุนแรงเลยนะเจ้าค่ะตอบคําถามให้ยังได้เจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ตอนนี้ไปกดไว้ดีแล้วที่ฝึกอยู่ไปฝึกอีกอยากพูดเราก็รู้นะตอนนี้เริ่มไปกดไว้อีกแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะเนี่อรู้สภาวะลงปัจจุบันอย่างนี้ไปได้ได้ หลวงพ่อจะกรุณาให้การบ้านอะไรเพิ่มเติมไ้ยเจ้าค่ะการบ้านเหรอการบ้านก็ไปฝึกต่อนะฝึกยังไม่พอต้องทำไปเจ้าค่ะวันไหนที่พอรู้ไหมวันใดที่พ้นอำนาจความปรุงแต่งของกิเลสก็พอนะ้วแหละเจ้าค่ะงั้นนักปฏิบัตินะสู้ตายนะฝึกไปเรื่อยอย่ารีบร้อนบางคนนะฝึกมาตั้งเดือนแล้วแหมบ่นยังไม่บรรลุพระอรหันต์สัทีมากไปหน่อยนะ ใจบบเย็นๆ ค, ค, ค, คอยรู้คอยดูของเราไปนะขยันดูนะแต่อย่าหวังผลขยันทำเหตุแต่อย่าอยากได้ผลถ้าอยากได้ผลแล้วไม่ได้เลยเพราะกิเลสเอาไปกินหมดเอามีใครหล่ะใครอาว่าไปนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ติดสมถะเจ้าค่ะนั่ง อ, อยู่เฉยๆก็คอเคตดแล้วก็มันหลุดออกมาทำไมติดสมถะแล้วคอเคลดละ่ะมันตั้งใจดูอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะ อันนั้นมันไม่ใช่สมถะหรอกมันเป็นการบังคับตัวเองจนเครียดนะคะ<า>ถ้าสมถะจริงๆทําแล้วมีความสุขความสงบนะเจ้าค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันหายไปพักหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็คือหลงยาวขึ้นคะ่ะถูกต้องแล้วแต่ว่ามันรู้ตัวได้ธรรมชาติขึ้นแต่รู้น้อยลงเจ้าค่ะถูกต้องแล้วคือ แ, แต่เดิมแนละเรารู้สึกเหมือนรู้ตัวทั้งวันนะเพราะว่าเราจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาพอเราไม่เพ่งจ้องเนี่ยจิตมันก็หลงไปบ้าง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 พอลงไปนอนแช่ก็โมโหอีกเนี่ยไปดูหน้ากิเลสตั้งหลายตัวที่บรรยายมานะั้นก็ถูกทุกตัวเลยนะแสดงว่าดูเป็ดแล้วพอช่วยเหลือตัวเองได้ ช, ช่วยได้นะช่วยได้นมัสการค่ะต่อไปนมัสการค่ะหลวงพ่อไหนไไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหน ค, คนนี้ค่ะค่ะนามัสการหลวงพ่อก็คือ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 ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ก่อนก็มืดๆ ม, ม, มัวๆตอนนี้สว่างมากกว่าแต่ก่อนอ่าเราบอกว่าเหมือนเดิมนะมันเหมือนตรงไหนล่ะก็เหมือนช่วงหลังจากที่มานมัสการหลวงพ่อครั้งแรกอะคะ่ะก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยพอมาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มคายออกมาจากที่ตอนนั้นเพ่งปึ๊กลงไปแต่ว่าหลังจากนั้นมาถึงตอนนี้ก็หลงนานเหมือนเดิมครู้สึกว่าไม่มีผลงานใช่ไหม มันนานมากแล้วค่ะหลวงพ่อนานมากสังเกตเอาใจเราไปติดไปคล้องอะไรอยู่ปล่าจิตเหมือนขนาดนี้ไหมปะกะติตถ้าจิตเหมือนอตอนเนี้ยมันไม่พัฒนา<ะ>เพราะมันไปเพ่งเอาไว้มันไปกดเอาไว้ค<ะ>่นะะเพราะฉะนั้นไปสังเกตเรานะถ้าจิตเราไปเพ่งเอาไว้ไปกดเอาไว้หรือบางทีจิตมันไม่เข้าที่นะเนี่ยขนาดนี้กดแรงกว่าตะกี้แล้ว<ะ>นะจิตของคุณมันไม่ถึงฐาน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 ที่หลวงพ่อก็เคยเป็นที่บอกไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วไปอยู่นอกๆหมดแ ล, แล้วถ้าอย่างนี้นี่ควรจะทํำยังไงอะค ะ, ะให้รู้ทันว่าจิตอยู่นอกๆสอิอ๋อรู้เหมือนรู้ตอนอย่างนี้ยหรอคะใช่รู้อยู่ตอนนี้จิตไม่เข้ามาก็รู้ว่าจิตไม่เข้ามาอยากให้เข้ามารู้ว่าอยากถ้าอยากให้เข้ามาแล้วรู้ไม่ทันจะดึงรู้สึกไหมพยายามดึงอุตรนะุษน่ะใช่อย่าดึงนะให้รู้เฉยๆ สิ่งที่ผิดนะมันมีสองอันนะส่งนอกออกไปแล้วไปกระจายว่างๆอย่างนี้อันหนึ่งอีกอันนึงส่งในนะถ้าไปหลบอยู่ข้างในซึมๆเสื่องๆอยู่ข้างในใช้ไม่ได้ทั้งคู่เห็นไหมชักโมโหล้นะเริ่มไปอัดมันแล้วรู้สึกไหมค่<ฮ>ะอ อ, อย่าไปแทรกแสงอให้คนอื่นบ้างครับเกี่ยวกาบน้ำส ก, กานะหลวงพ่ออ้นนี้รู้สึกว่าอยากจะถามมาตั้งแต่คนแรกนะครับแล้วก็จิตอ้อนนี้ยังสั่นเลยครับ เออคืออยากจะกลับถามเรียนคุณหลวงพ่อว่าครับคือผมจะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคิดมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาศึกษาธรรมะทั้งหลายปีครับอ่านจากําราแล้วฟัง fMA เอะไรอย่างนี้แบบนี้ครับคือผมก็จะไม่ทราบว่าจริลีแบบไหนที่จะถูกตลบผมมากครับมันแข็งแข็งทื่อๆเวลานั่งสมาธิมันจ้าจะซึมซึมไม่ไม ข, อของคุณคของคุณโมหะมันมากนะออครับเะะนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันก็ฟุ้งซ่านไป พอไปทําสมาธิมก็ซึมไปเลยเว่าจิตถ้ามันฟุ้งซ่านสุดขีดแล้วก็ซึมมันเหวี่ยงกลับข้างกันเหมือนจยงจิตช่วงไหนราคามากอีกช่วงก็โท่สารมากมันเวี่ยงกลับข้างครนะช่วงไหนฟุ้งซ่านมากนะพอไปทําความสงบก็สงบซึมลงไปมากนะเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามเจริญสติในชีวิตประจําวันนะ ร, ร, ร่างกายเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกไว้นะครับเอาร่างกายมาช่วยนะร่างกายไปเดินเยอะ เดินก้าวไปก้าวมานะหันซ้ายหันขวาเนี่ยคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งนะครับแค่รู้สึกรู้สึกคผมพ่อครับแต่ว่าครังที่ตอนที่ผมจะไปออกกาลังกายอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามองค์แบบนั่นแหละปองสั้นแหะอสุภาครับว่านั่แหละไปทําทําสุภาเพื่ออะไรของเพื่อเพื่อให้จิตมันสงบมันไม่ต้องส่งออกนอกอาสุภาอาสุภานั่นแหละส่งออกนอก เอ๋อแล้วอสุภาะนะมันพิจารณากายนะเป็นของไม่สวยไม่งามเขาทำเพื่อข่มราคาคถ้าขนาดนั้นไม่ได้มีราคาแล้วจะไปข่มราคาอะไรขัวจิตส่งออกนอกครับก็อยากให้มันดวงล้นขนาดนั้นออกนอกจือลงอไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้สึกตัวนะของคุณนะ่ะคิดให้น้อยๆเลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารในการปฏิบัตินะ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 มันมันยังตื่นเต้นอยู่นะคะไหนลองโชว์สิรู้อีกอาหลวงพ่หลับตาแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ยเป็นหน่วงมันไว้รู้สึกไหมค่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้อย่างนี้เรียกว่าไปกดมันไว้ <c oughs> อย่า ก, กดมันนะรู้ก็รู้ด้วยใจที่ธรรมดานี่เอง เวลาที่เรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหรือเรารู้จิตรู้ใจเรานี่ยรู้ด้วยจิตใจธรรมดาอย่าไปดัดแปลงจิตใจนะอันนี้ไปดัดแปลงใจไว้ก่อนแล้วปล่อยนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวถ้าปกติรู้ที่บ้านจะเบากว่านี้ะค่ะใจไหลไปคิดรู้สึกไหมไหลแวบแวบแวบนะคอยรู้สึกเอานะค่ะบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แถวธัญบุรีนะคะห้องสี่ค่ะว่างๆก็ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรนะอ๋อค่ะ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 ถ้าถ้ารู้แต่หายใจหนูหนูจะค่อนข้างติดเพง่งอะค่ะให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่กับลมค่ะให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้ว่าไปบังคับมันอย่างตอนนี้เนี่ยหลงไปแล้วรู้สึกไหมค่ะอย่างนี้ไม่เอาไม่น้อมใจไปอย่างนั้นค่ะในเก็บไม่เราส่งจิตไปอย่าส่งจิตไปเราแค่รู้เห็นสภาวะทั้งหลายเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านหรือเหมือนเห็นเขาเล่นฟุตบอลเรานั่งกนอธัธจัรต์ไม่กระโดดลงไปค่ะนี่ยังกระโดดลงไปเป็นระยะระยะอะ อาทำวันอื่นบ้างหลวงพ่อคะ<า>อีกขอ อ, อีกคำถามหนึ่งคืออย่างเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะที่บอกว่าใช้รู้ลมหายใจแล้วบางครั้งหนูติดเพงแล้วก็บางครั้งเหมือนกับมันหลงแล้วก็มันมันวูนบอะคะ่ะอืมอย่างนี้พอพอพอมันวูบปุ๊บหนูจะเลิกเลยเพราะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นอกเสบอย่างนี้จะแก้ยังไงคะ เวลามันวูบนะวูบลงไปรวมลงไปพักผ่อนแเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่าหรือวูบหายไปเลยมันวูบเหมือนมันง่วงหรือว่าอะไรอย่างั้นลุกขึ้นมาเดินจงกลมนะขยับตัวไว้นะพยายามเคลื่อนไหวอย่าฝึกตัวเองให้เครมเคลิ้มวูบวูบบ้าบเสียเวล า, านะเพราะว่าธรรมดาโมหะเราก็เยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องไปฝึกให้มีโมหะเยอะขึ้นนั่งแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาหนา้อย่างนั้นเป็นนอนซะดีกว่าก็าคือเลิกเลยใช่ไหมคะลุกขึ้นมาเดิน ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เห็นร่างกายนี้ทำงานไป<ะ>ถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนะค่อยฝึกไปอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นวิหารธรรมที่เมื่อกี้ถามนี่ตกลงว่าให้ให้ดูริยาบทไปใช่ไหมคะดูริยาลมหายใจนี้ไม่ต้องดูแต่ต้องระวังะนะของเดิมที่ทำอยู่เนี่ยมันเพ่งอิริยาบทาต้องระมัดระวังนะอย่า ก, กลับ<ะ>ไปติดที่เดิมน ะ, ะของเก่าที่ทาอยู่มันติดเพ่งอิริยาบทกลับขอพรคุณค่ะ กัรรักษาหลวงพ่อค่ะไหนไหค่ะเจะากับเรียนถามถึงอาการหนึ่งนะคะหลวงพ่ออย่างสมมติว่าเวลาเราคุยกับใครอยู่อย่างเงี้ยค่ะจูจๆมันรู้สึกแปลกไปก็คือเหมือนกับว่าเรามันเป็นสองคนนะคะคนหนึ่งกำลังเอปากพูดอยู่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกมันนิ่งๆแปลกๆไปอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีอดลมร่วมค่ะดีละแล้วคนนี้ก็หนูรู้สึกว่า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 แต่พอเรามาเจริญสติเราเริ่มเห็นความจริงแล้วไอ้ตัวไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขึ้นมาบางคนกลัวไปเลยนะบางคนก็รู้สึกเบื่อจับจิตจับใจบางคนรู้สึกเวิ้งว้างโวงโวงหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเพราะจิตมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีนะต้องดูไปอีกนะรู้ทันไปกลัวรู้ว่ากลัวเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ไปอย่างนั้นใจมันตั้งมั่นแต่ตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะตั้งอย่างนี้ทื่อๆไปไม่เป็นธรรมชาติ แล้วอย่างหนูคนใช้อะไรเป็นมิหาละธรรม ะ, ะรูปกาย<อ>ไปขอบพระคุณค่ะเอาย่อๆนะจะหมดเวลาแล้วการนักการหลวงพ่อนะคะเออระหว่างที่รอไมามาเนี่ยจิตมันไหลไปไหลมา ม, มันว้าวุ่นแต่ก่อนจะมาหลวงพ่อจะมาเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันกดอยอมัน<ำ>อย่าไปน้อมใจให้มันซึม ซึมมากเลยค่ะวันนี้เราน้อมใจให้ซึมเนี่ยเพราะเราไปคิดว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะสงบซึมกับสงบเนี่ยคนละเรื่องกันสงบเนี่ยไม่จําเป็นต้องซึมเลยสงบแล้วร่าเริงก็เป็นไปได้นะี่อน้อมใจให้ซึมแกล้งซึม <c oughs> แกล้งน้อมไปให้ซึมน ะ, <c oughs> นะคนนี้นะคนนี้ห <c oughs> ลวงพ่อคะขอหยนะิงนิดหนึ่งค่ ะ, ค, ะคือที่ให้ทําวิหารธรรมเนี่ยบังเอิญห้องพระอยู่ชั้นสอง บางทีลูกก็เลยนั่งสวดมนต์อยู่ที่เตียงอ่ะออืเอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งสวดที่ที่นอนอือันนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็นั่งสบายท่ไหนอยู่ในห้องน้ําก็สวดได้ออ่ยูเเราสวดมนต์มันเป็นการทําความดีที่ไหนก็ควรทำกราบน้ำรสการเจ้าค่ะขุณเสื้อสีชมพูนี้มากราบน้ัพสการหลวงพ่อผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเท่าที่ผมปฏิบัติแล้วก็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 รู้ลมหายใจรู้เห็นร่างกายกําลังหายใจด้วยเลยอย่าน้อมใจเข้าไปหล้งพ่อทำหน้าให้ดูนะสมมติรเรากำ ล, ลังเผลอๆอย่างเงี้ยเรานึกถึงลมหายใจนะเนี่ย app อย่างเนี้ยปลอมหมดเลยนะเพราะ้เรากําลังเผลอๆอย่เงี้ยเร า, านึกจะรู้ลมหายใจเราก็เห็นร่างกายหายใจเลยจิตเราไม่ต้องขยับย้ายที่ไปไหนเลยก็แค่รู้ลมหายใจไปเลยอย่าไปดัดแปลงอย่าไปเคลื่อน mm. รู้สึกไหมเราพอทึกนึกถึงลมหายใจเราเคลื่อนจิตเข้าไปหาลม oh. อย่าไปเคลื่อนอย่างนั้น นึกถึงท้องพองยุบก็รีบเคลื่อนจิตเที้าไปหาท้องอะไรเงี้ยไอ้นั้นมันจงใจกลายเป็นเพ่งไปหมดละเพราะงั้นควยใจลอยไปวิหารธรรมนะครับแล้วก็กรู้สึกตัวได้ไหมครับอะไรนะเพราะงั้นต้องผมต้องใจลอยเป็นวิหารธรรมไม่ได้เอาใจลอยเป็นวิหารธรรม <c ười> ไม่ได้ <c ười> แล้วรู้สึกตัวเอาอย่างเงี้ยครับ <c ười> คอยรู้สึกไปเรื่อยนะสภาวะอะไรเอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ได้นะจิตใจลอยไปก็รู้สึกจิตโลภก็รู้สึกจิตเกิดก็รู้สึกนะ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 เวลาใจลอยไปพอรู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตเราไม่ขยับเลยนะจิตอยู่เดิมเดิมรู้ว่าใจลอยจิตไม่เคยื่อนขึ้นมาส่วนใหญ่พอรู้ว่าใจลอยจะดึงวืบเข้ามาเลยอย่างนี้จิตมันเคลื่อนที่ไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วจิตมันจะแน่นขึ้นมาเลยงั้นใจลอยรู้ว่าใจลอยเห็นไหมโกรธรู้ว่าโกรธพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามโกรธภิกษุทั้งหลายพอรู้ว่าโกรธแล้วรีบดึงให้หายโกรธไม่เคยสอนเลยท่านสอนบ่าภิกษุทั้งหลายเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธ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 ส่วนจิตเนี่ยจะดีบ้างร้ายบ้างไม่เป็นไระแสดงว่าการเนี่ยเเห็นไหมจิตหนีไปตรึกหนีไปคิดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไปคิดอย่างจริงจังเลยหนึ่งวูบเห็นไหมก็โจนปุ๊บลงไปนันเราก็แค่รู้เท่านั้นเองนะอย่างตอนเนี้ไหลไ ป, ไปอีกแล้วทราบไหมคราวนี้ไหลนิ่มๆเห็นไหมไเมื่อกี้ไหลแบบกระโดดเราก็รู้อย่างเนี้ยมันเป็นยังไงก็รู้มันไปเรื่อยๆอย่าเนี่ยอย่า ง, อ ย, างอย่างนี้น้อมใจให้นิ่มนิ่งน้อมใจให้ซึมอย่างนี้ไม่เอานะอย่าน้อม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 แล้วผมจะเหมาะกับดูกายหรือดูจิตจะพัฒนาด้ดีครับดูทั้งกายดูทั้งจิตนะอย่าทิ้งกายของคุณนะคุณต้องรู้กายไปด้วยต้องมีกรรมฐานอะไรต้องทำเพิ่มไหมครับสมถะก็ทาเล็กน้อยนะพอให้จิตได้พักผ่อนไม่ทิ้งนะทำสมถะเล็กน้อยแล้วก็คอยรู้ร่างกายที่ขยับกระเย่นเคลื่อนไหวไปเนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมหนีตามไม่ว่าไง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 ขณะที่กำลังทำสมถะหนูเนี่ยเจ้าคะก็ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็แล้วก็มายืนมองว่าอ๋อนี่ความสุขเป็นอย่างนี้หรือเออคือเหมือนลมเนี่ยฮะเขาโอบล้อมเราแล้วก็สัมผัสได้เลยนะเจ้าค่ะอันอันนี้เป็นสมถะเลยใช่ใช่มีความสุขนะอย่างทำสมถะบางทีเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยแช่น้ําอยู่นะชุ่มฉ่ําเย็นช่าทุกกุ่มขนเลยเจค หรือเหมือนลมพัดผ่านทุกขุมคนเลยมีความสุขเย็นสบาย<อ>แต่พอพอมันสบายอย่างนั้นเราจิตเราชอบเรารู้ว่าชอบนี่เราเริ่มเดินปัญญาต่อแล้วนี่นี่แหละค่ะคําว่าเดินปัญญาต่อเ น, นี่ยลูกไม่ทราบนะคะโยมก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 2> อย่างเห็นไหมจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้แหละคือการเจริญปัญญา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 หลวงพ่อนะครับทุกคนช่วยกันตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะครับนโมตะัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุดตามนะครับ อาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกะกตังสัพพังอปปราธังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกะกตัง สับพังอปาราทางขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเเยนะกะตังสับพังอปาราทางขมะตุโนพันเตอาหังขมามิ เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัาชิตวาปัชฌะโซนัปมัชชะติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกูสเลนะปะเฮติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันติมาอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังภะลัง ก็ถวายทานพร้อมกันกเช่นเคยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจใจไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สูขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินสาธุ ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวัสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพันรโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายโนจตตาโรธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพะลัง